i n o h n h เดี๋ยวต่อไปก็ศึกษาเวทนาต่อนะ <c oughs> เออในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะในหน้าที่9ในเอกสารที่ของเราดูกันอย่างนีนะที่ว่าตอนนั้นได้ยกในทีคณะสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมติปนนาตพระบรมศ า, าศาสดาตรัสว่าดูก่อนอักิเวศนะสมัยใดเสวยสุขเวทนาสมัยนั้นก็ย่อ ม, มหาได้เสวยสุขเวทนามทุกเวทนามไม่ หาสวยทุกข์มำสุขเวทนาไม่ย mm ่อมเสวยแต่สุขเวทนาเท่าน <Okay. S 2> <sa> ั้นแล้วก็ดูก่อักคิเวสนะสมัยใดเสวยทุกขเวทนาก็ไม่ใช่สุขเวทนาไม่ใช่อุเบกขาเวทนาเสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นดูก่อักคิเวสนะสมัยใดเสวยอทุกขคำสุขเวทนาสมัยนั้นหาสวยสุขเวทนาไม่หาเสวยทุกขเวทนาไม่ ย่อมเสวยแต่อาทุกข์มสุขเวทนาเท่านั้นตอนนี้ท่านบอกว่าดูก่อนอัิเวสนะบอกว่าแม้สุขเวทนานั่นแหละก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยอนอาศัยปัจจัยประชุมบูงแต่ง อ, อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปธรรมธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะคลายไปดับไปนั่นแหละแม้ทุกขเวทนาก็ ไม่เที่ยงอันปัจจัยประชมปรุงแต่งมีอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเส้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายเป็นธรรมดาแม้อทุกขมสุโภเทนาเ่าก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยประชมปรุงแต่งแล้วสายปัจจัยเกิดขึ้นมีความเส้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีควา ม, มคลายไปดับไปเป็นธรรมดาดูก่อนอักขิเวชนะอริยส า, าวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในทุกขเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในทุกขมะสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วนะกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีตรงนี้ แปลว่าท่านบรรลุเนี่ยนะตรงนี้ต้องไปทำความเข้าใจนะชาติสิ้นแล้วพรหมจันย์หยุดจบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วเป็นต้นเราเนี่ยนะในคำสอนที่ท่านสอนเนี่ยออต้องมาพิจารณาอีกทีว่าพระองค์หมายถึงอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะในคำสอนในชั้นของ จะสอนในเรื่องของอนัตตลกอณัสูตรหรือสอนในเรื่องของอาทิตต์ปริยัตสูตรหรือในสูตรอีกหลายๆสูตรนะท่านก็จะจบลงด้วยลักษณะแบบเนี้ที่จะบอกในลักษณะบอกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเป็นต้นเรานี้ตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว นะเพื่อจะให้รู้ตามความคําสอนแล้วก็ที่พระบรมศาสดาทรงสอนต่างๆเหล่าเนี้ยเนี่ยโดยเฉพาะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะเออแสดงในกรณีแบบเนี้เอาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในเวทนาที่เราแสดงกันเนี่ยที่พระบรมศาสดาแ ส, สดงเกี่ยวในเรื่องของ เวทนาที่เป็นตีเหตุเป็นอสังขาริกก็ยากกว่าใช่ไหมถ้าเป็นอสังขาริกก็เป็นเวทนาที่ละเอียดรูปาวจรเวทนาที่เป็นปฐมฌานก็เป็นยากกว่ารูปาวจรที่เป็นปัญจมไล่ไปตามลําดับในทุติยฌานตัทยฌานเฉตุทะฌานและวก็ในปัญจมัาจในรูปฌานทั้งหลายก็เป็นต้นเป็นไปตามลําดับจนถึงโลกุตละเวทนาก็ต้องไปประกอบเป็นกรรมมรรคเวทนาที่ในโสดาปิมรรค ก็หยาบกว่าเวทนาที่ในสกาธาคามีมรักเวทนาที่ในสกาธาคามีมรักก็หยาบกว่าเวทนาที่ในอนาคามีมรักเวทนาที่ในเนีคามีมรักก็หยาบกว่าเวทนาที่ในอรรถมรักก็ไล่ไปตามลําดับทีนี้เวทนาที่ประกอบกับอริยมรักนั้นเป็นอรรถมรักเป็นเวทนาที่ละเอียดที่สุดเวทนาที่เป็นวิบากและกิริยานเกิดในภูมินั้นๆและเวทนาที่ตรัสไว้โดยประเภท ทุกขเวทนาเป็นต้นเวทนาผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นต้นเวทนาที่มาที่ประกอบด้วยอาสวะเป็นต้นอย่างเดียวกันเนี่ยนะก็เป็นสภาพที่หยาบตามลำดับที่กล่าวทีนี้ก็คือว่าประเภทแห่งสถานที่ทุกขเวทนาในนิริยภูมิเป็นเวทนาหยาบทุกขเวทนาในเดริฉานภูมิเป็นเวทนาที่ละเอียดกว่าทุกขเวทนาที่ในเดริฉานภูมิเป็นเวทนาที่หยาบกว่า ทุกขเวทนาที่ในเปติวิสัยนะทุกขเวทนาที่ในเปตก็ยากกว่าทุกขเวทนาที่ในมนุษย์นะทุกขเวทนาที่ในมนุษย์นะก็ยากกว่าเทวดาที่ในจารุมหาลาจิกาไล่ไปตามลำดับไปจนถึงปรานิมิตวสวัตตีก็ละเอียดอย่างแท้จริงในกามาภูม สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานหมดเลยที่จะต้องวิจัยเวทนาเหล่านี้นะท่านหลายต้องวิจัยใช่มจารตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิ์นิ ม, มานารดีปรนิมมิส ว, สวัสดีในเวทนาต่างๆเหล่านั้นของสัตว์เหล่านั้นก็จกมีความหยาบเป็นไปตามลำดับและและเอียดเป็นไปตามลำดับที่แตกต่างกันออกไปพอมองเห็นไหม ต่ตอนนี้เราอยู่ในประเภทเวทนาละเอียดกว่าเปรดเท่านั้นเอง <S <S ใช่ไหมเท่านั้นเองใช่ไหม <S <S นี่ว่าโดยเวทนานะในด้านของเวทนาต่างๆแล้วเนี้ยดังนั้นโดยเฉพาะทุกเวทนาที่เราได้กันเนี่ยนะมีไหมมีถึงแม้ทุกขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านก็เลยมีเรื่องเล่าเขาไว้ไง ที่กล่าวไว้ในธรรมบทบ้างในคำสอนต่างๆใช่ไที่ว่าว่าหลานชายกับน้าชายทำกรรมชั่วใช่หหลานชายเนี่ยก็ไปรักของทางราชการก็มาเป็นห่อผ้านอะไรเป็นรมาเบียดเส็จก็มาซ่อนไว้ที่บ้านของน้าก็หนีไปต่อมาทางการก็จับน้าจับหลานชายได้นั่นแหละ คนปรากฏก็เลยประหารชีวิตของนานาก็ตายนยแล้วก็หลานเสียบทวานเชเสียบทวานหนักเลยว่าปักเป็นหลักไปใส่ตอไว้อะว่ mm hmm. างนั้นเถอะในตำนานอย่างนั้นน่แล้วต่อมาเนี่ยน า, ายยเนี่ยก็ตายด้กำเนี่ยไปกลายเป็นกลายเปเลกปลือกเอะไรได้วยมรักลักผ้าเข้าไปซ่อน กำลักผ้าเข้าไปซ่อนเพื่อจะล้อเล่นนะ่ยไม่ใช่กำเลยเพราะตั้งิงยิงตัวเองไม่ได้ไปรัก ก, นกรรันนั้นกำนะั้นน่ะทำให้ตัวเองไปเกิดเป็นเปลือว่างั้นทีนี้ก็ไม่มีผ้านุ่งเหรอมาแต่ในขณะเดียวกันก็คือตนเองก็มีอ่ามีอะไรมีมีผ้านะก็คือมา้าก็เคยเคยทําประโยชน์เกี่ยวในเรื่องของยานะอะไรต่างๆนนเนี่ยแต่ไม่มีผ้านุ่งอแว่างั้น แล้อย่างหนึ่งก็รู้สึกจะมีพวกกระโหลกแรงต่างค้องคออยู่ไมแต่ก็ทุกทรมานกันน่ะเนะทุกทรมานมากก็เลยนึกถึงหลานก็วิ่งควบมาในํานองนั่นคนะละพบ น, นเลยนะมาปรากฏให้หลานหลานก็ทรมานร้องโอยอยากตายยังโวยอยากตายยังโวยเนี่ยใช่บอกว่ามาบอกหลานบอกว่าเอ็งอย่าพึ่งตาย ไอ้ทุกขเวทนาที่เองได้ในมนุษย์เนี่ยขนาดไหนก็ไม่สู้กับทุกขเวทนาของเปรตล็อกโดยเฉพาะเองเนี่ยไปทำกรรมชั่วเองจะต้องลงอบายภูมจะทุกขกวนนี้อีกเยอะฉะนั้นความทุกข์ที่เขาเสียบทวารหนักไปจนถึงเนี่ยร้องโอยโอยเองทนได้เท่าไหร่ถือว่าสุขประเสริฐที่สุดแล้วเมืพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นว่าฉะนั้นในกรณีท่านทั้งหลายที่ทุกขเวทนานี่นะ จากโกาครคภัยไข้เจ็บทุกขเวทนาที่เกิดจากอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสุขที่ประเสริฐที่สุดถ้าไปเทียบกับโทองมณสเวทนาทุกขเวทนาในบายภูมิที่ต่ำกว่าเราโดยเฉพาะอไบยสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเปรตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะสัตว์นรกใช่ไหมนั่นโหดสุดๆแล้วที่ตรงนั้นน่ะไม่มีเวทนาใดที่จะทรมานเท่ากับเวทนาในไบยภูมิแล้วนั้นบอกว่า ทุกขเวทนาของมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าละเอียดสุดๆแล้วที่เราบอกว่าทุกอย่างแสนสาหัสเลยนะทุกจากการบ่นเพื่อจากการถูกทุบตีจากการโทมนัสทางใจร้องห่มร้องไห้ต่างๆเราเนี้นะที่เราท่านต่างๆจะเครียดเป็นโรคจิตโรคประสาทกันระยะเนี่ยนะเนี่ยสิ่งต่างๆอย่านี้ถือว่าโอ้โหเทียบกับใบโยมเนี่ยเป็นเรื่องนิดหน่อยเท่านั้นเองหวังว่าเป็นเรื่องนิดหน่อยเท่านั้นเองฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยประเภทของเวทนาทั้งหมด อันมีที่ตั้งต่ำสามเป็นเวทนาหยาบส่วนเวทนาที่มีที่ตั้งประณีตก็เป็นเวทนาที่ประณีตไปเวทนาต่ำสามและประณีตหยาบเป็นต้นนะนะส่วนละเอียดก็ทราบตามแนวแห่งคําสอนส่วนไกลและใกล้ต่างๆเหล่านั้นก็ไปจัดไปตามลําดับของรูปประธรรมดังกล่าวกุศลเวทนาอัปยากตะเวทนาอกุศลเวทนา ยังไกลจากกุศลเวทนาและอภิญากตะเวทนาเพราะมีสภาพต่างกันไม่ละคนกันไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าไกลใช่ไหมเขาเป็นสภาพไกลพระบรมศาสดาก็ตรัสบอกว่าบอกว่าอากุศลเวทนาใกล้กับอกุศลเวทนาอื่นๆก็หมายความว่าในกลุ่มของอกุศลเวทนากับอกุศลเวทนาอื่นๆน่ยก็สังเกตดู ว, ว่า อกุศลเวทนาที่เกี mm ่ยวกับปาณาติบาตอกุศลเวทนาที่เกี่ยวกับอธินนาทานอกุศลเวทนาที่เกี่ยวกับกาเมสมิชาจารอะไรก็แล้วแต่เฮ่อมันจะมีความใกล้ใกลใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กันนี่ก็เรียกว่าเวทนาใกล้ใกล้โดยประเภทเนีนะแต่ถ้าอกุศลเวทนากับกุศลเวทนาพยากตะเวทนาก็เรียกไกลกันนะมันเรียกเวทนาที่มันไกลกันมันไกลอย่างนี้มันคนละชาติเลยอะกุศลชาติกับอกุศลชาติเนี่ยมันไกลกันเนี นีมันใกล้กันเพราะมีสภาพต่างกันไม่รคนกันและไม่เหมือนกันกุศลเวทนาและอริยกตะเวทนาก็ใกลจากอกุศลเวทนานั้นด้วยเหตุดังกล่าววาลาทั้งปวงก็ในเดียวกันอกุศลเวทนาก็ใกล้กับอกุศลเวทนานอื่นเพราะมีสภาพเดียวกันและคนกันก็มีสภาพที่เหมือนกันนะลักษณะนี้ก็ไปแยกลักษณะเวทนาไกลเวทนาใกล้ อันนี้ด้โดยประเภทของกุศลไม่ได้เ น, เนื่องโดยพบภูมิต่างๆทีนี้ในคําสอนของพระบรมศาสดาที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะถ้าหากครอบรู้เวทนาต่างๆเหล่านี้นะก็จะชัดเจนในคําสอนที่ท่านบอกว่าในคําสอนของในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะเมื่อเข้าใจความเป็นจริงของเวทนาเหล่านี้แล้วมันก็จะได้หน้าเบื่อนหน่ายเวทนาว่าเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาจริงไหม ไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาไม่ว่าจะเป็นอัตุก ร, รมสุขเวทนาแล้วน่ยนิพพินติด้วยว่าย่อมเบื่อหน่ายท่านประสงค์ด้วยวิรุธาตคามินีนะเป็นชื่อเบื่อหน่ายทีนี้กรณีความเบื่อหน่ายพระดัมมาลาที่บอกว่านิพพินติเนะี่ยย่อมเบื่อหน่ายเนะี่ยใช้ในลักษณะเป็นเพียงสำนวนทางภาษาเพราะวิปัสสนาญาณเหล่านั้นนะ่ะไม่เพิดเพลินไม่ยินดีในสังขารที่ปรากฏโดยความเป็นไตรรักษนะ ท่านก็เบื่อหนายในสังขารนั่นเองเบื่อนนายใช่ไหมเบื่อหน่ายว่าเวทนาทุกเวทนาเนี่ยที่ไล่มาตามลําดับเนี่ยล้วนไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ารุ่มหลงไม่น่าหมกมุ่นเลยอ่ะท่านลองดูดิเวทนาทุกเวทนาในโลกี้ยะเวทนาทั้งหลายเนี่ยจะไล่เป็นเวทนาหยาบเวทนาละเอียดโดยประเภทแห่งชาติโดยประเภทแห่งบุคคลโดยประเภทแห่งสภาพโดยประเภทแห่งภพภูมิใช่ไหมสภาพของเวทนาเหล่านั้นน่าเบื่อหน่ายเลยนิพินสติเวราสติก็ เมื่อเบื่อนนายย่อมกำจัดก็คือว่าย่อมคลายกำหนัดเนี่ยนะโดยสภาพที่ขจัดกิเลสนั่นเองนะวิราคาวิมุจติเพราะสิ้นกำหนัดเนี่ยจิตก็หลุดเพราะเนี่ยคืองคำว่าเบือนนายก็คือคลายความกำหนัดก็คือด้วยอริยมรรคสอริยมรรคสนั้นเป็นสภาพที่เป็นความสิ้นวิราคะก็คือขจัดราคะโทษจะสามโมหะตามสภาพของมรรคนั้นนั้นใช่ไหมโสดาปฏิมา ก, ก็กำจัดเนี่นะ สภาพของราคาโทรสาวโมหะต่างกันออกไปเป็นสภาพนั้นๆไปแต่ที่สุดจริงๆก็ว่าถ้าได้เสวดาปไิมากพระท่านก็ทําลายมักในทํำวายเวทนาที่จะไปในใบภูมิเปรี้ยงเลยใช่ไหมดังนั้นท่านจะไม่ได้เวทนาหยาบในใบภูมิอีกต่อไปแล้วปิดเวทนาหยาบบอกว่านับตั้งแต่พบนั้นเป็นต้นไปในเวทนาหยาบหยาบจะไม่ไหลเข้าสู่กระแสขันของท่านอีกต่อไปใช่ไหม อันนั้นไม่ใช่เราใช่ไหมเพราะท่านได้ถ้าสกาทาคามีมารกท่านจะมาในกามรมาภูมิมึงครั้งเดียวเนี่ยนาคามีมารกก็นนแหละใช่ไมไม่มาในกามรมาภูมิแล้วทั้นเวทนาในกามรมาภูมิทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กินพ้านาคาอีกต่อไปแล้วหลังจากท่านปฏิสนธิหรือจุติแล้วใช่ไหมนะเวทนาในอบายในอ น, นยภูมิเวทนาในเดราชานภูมิเวทนาใน เปรวิสัยเวทนาในมนุษย์ในในเดวาในจาตุมมาหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตนิ ม, มานรดีปรนิมมิสวสวัฎีเวทนาในในภูมิเหล่านี้ในสัตว์เหล่านี้นะไม่ได้ถูกต้องการาชกายของนะพานาคายต่อไปในพบต่อไปเนะนี่เป็นอย่างนี้เพราะท่านละได้อย่างเด็ดขาดละเวทนาเหล่านี้ได้เด็ดขาดแต่เราท่านทั้งหลายที่กล่าวมาเนี่ยเวทนาเหล่านี้เรายังละไม่ได้เลยและยังพ้นไม่ได้ด้วย และกรรมที่จะต้องไปรับเวทนาเหล่านี้ยังมีอีกเยอะเวลาคลายมุจจติจิตเนี่ยนะเมื่อสิ้นกำหนัดจิตก็หลุดพ้นก็หมายความหลุดพ้นด้วยสภาพแห่งปฏิปัสธิวิมุตติพอริยมรนะักษ์ในที่ขจัดกิเลสคือราคาโทสามโมหะอย่างแท้จริงอะ่ะพระดำรัดนี้ระบุถึงสามมาละยะผลสคือโสดาปฏิผลสกาตาคามีผลอนาคามีผลอรจผล ส่นพระดัราลาที่บอกว่าวิมุตตตัดสมิงวิมุตต์ตมิจติก็คือว่าตราถึงปัจเาาจเวขณาญาณนะปัจเจเวขณาญาณปัจเจเวขณายานของพระโสดาบันสกาธานาคาพระอรหันย์ใช่ไหมท่านก็จะมีปัจเจเวขณายานของท่านใช่ไหมหลังจากได้ผลแล้วท่านก็ต้องมีปัจเจเวขณายานใช่ไหมพิจารณาอะไรพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณาพระนิพพาน พิจารณากิเลสทิละแล้วแล้วก็พิจารณากิเลสกิเลสทีここ่เหลือฉะนั well, ้นพระโสดาบันก็มีปัจจเวทขณะานห้าผ้นาผ้าสกาทาคาก็มีปัจจเวทขณะยาน5พระ้านาคาก็มีปัจจเวทขณญาน5ส่วนพผ้ารหารก็มีปัจจเวทขณะยานสี่ใช่ไหมพิจารณามรตพิจารณาผลพิจารณานิพพานแล้วก็พิจารณากิเลสทิละแล้ว ิเที่เลหลือไม่ต้องพิจารณาแล้วเพราะหมดแล้วเนี่ยนะยา낭โหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยทั้งยังตรัสอารมณ์ของปัจจเวขณะยานด้วยพระดำรับขีนาชาติเพราะงั้นชาติสิ้นแล้วเป็นต้นแท้จริงแล้วอริยาสาวกอ่ะรู้ว่าการเกิดต่อไปสูญสิ้นแล้วเมื่อพิจารณาปัจจเวขณะยานนั้นถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นพระอรหันเนี่ยจะไม่มีศัพท์ว่าชาติสิ้นแล้วเนี่ย ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นท่านถึงจะพิจารณาว่าชาติสิ้นแล้วใช่ไหมถามว่าชาติสิ้นแล้วศูนย์สิ้นไปแล้วเนี่ยถามว่าชาติของพระริยาสาวกนั้นศูนย์สิ้นไปอย่างไรถามว่าท่านทราบถึงเรื่องนั้นอย่างไรอดีตชาติของท่านศูนย์สิ้นไปไม่ได้เพราะหมดสิ้นมาก่อนหน้านั้ น, น, นแล้วใช่ไหมมันจะไปศูนย์สิ้นไปได้ไงเพราะหมดไปแล้วอดีตชาติ อานาคตชาติก็สูญสิ้นไปไม่ได้เพราะยังไม่พยายามยังไม่พยายามคือยังไม่พยายามก่อให้เกิดท่านมีอานาคตชาตินั้นไม่ได้พยายามปัจจุบันชาติกับท่านก็ยังไม่สูญสิ้นไปเพราะพิจารณากิเลส ท, ที่ถูกขจัดแล้วด้วยมรรคภาวนาได้ทราบว่าเมื่อไม่มีกิเลสแม้กรรมที่มีอยู่ก็ไม่อาจจะส่งผลปฏิสนธิต่อไปจึงทราบว่าชาติ ที่มีขันหนึ่งในเอกโวกัลภพใช่ไหมชาติที่มีขันหนึ่งที่ในจัตุวกาลภพชาติที่มีขันห้าที่เป็นไปในปัญจโวกัลภพที่ควรเกิดเพราะยังไม่ได้อบรมมรรคแต่กลับศูนย์สิ้นไปได้ถึงความเป็นสภาพที่ไม่เกิดอีกเพราะได้อบรมมรรคแล้วฉนันความรู้ในลักษณะอย่างเนี้ยท่านจึงถามว่าชาติไหนที่เส้นน่ะอดีตชาติหรืออนาคตชาติหรือปัจจุบันชาติ อดีตชาติก็ถือว่ามันจบสิ้นไปแล้วอนาคตชาติก็ไม่มีความพยายามต่อไปที่จะเกิดปัจจุบันชาติก็ยังเป็นไปอยู่ใช่ไหมยังไม่จบยังไม่จบเนี่ยนะท่านก็เลยบอกว่าคําพูดนั้นเน่ยเป็นคําพูดที่หมายถึงคล้ายคล้ายกับคําว่าจะดับชาติในอนาคตใช้สํานวนอย่างนั้นนะนะจำนวนอย่างนั้น แท้ที่จริงก็คืออนาคตนั่นแหละถ้ามองมองประเด็นอย่างนี้นะก็แปลว่าท่านจะไม่มีปฏิสนธิชาติก็หมายความบอกว่าชาติที่มีขันหนึ่งในเอกวะกัลภพขันสี่ในจตัวกัลภพขันห้าในปัญโญกัลภพที่ควรเกิดเพราะยังไม่ได้อบรมด้วยมรคเนี่ยถ้าไม่ได้อบรมมรคให้บริบูรณ์นี่นะไม่อบรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะ สัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธิถ้าไม่ได้อบรมให้ครบสี่ครั้งนะใช่ไหมให้ได้สี่มาร์นะชาติไม่สิ้นอย่างเราเนี่ยชาติไม่สิ้นไม่ต้องกลัวชาติจะสิ้นใช่ไหมเจริญแน่ไม่ต้องไปบอกว่าใช่ไหมชาติเจริญนี่ถึงมันยุ่งไหมชาติชาติปีิทุกขาเนี่ยการชาติเจริญเนี่ยมันเป็นทุกข์การเกิดตรงชาติี่มันเป็นทุกข์ ชอบร้องเพลงชาติเจริญกันเลยเกินจะมาชาติในที่นี้ไงมั้พระจำรัดเออหุสีตังก็ปแปลว่าอยู่จบแล้วก็หมายถึกระทาแล้วประพฤติแล้วแล้วก็ได้สําเร็จแล้วเนี่ยพรหมาจารยิยธรรมก็คือพรหมาจาันทร์พรหมาจันทร์ในที่นั้นคือมรคพรหมาจาันทร์โสดาปฏิมากสกาธาคาริมานาคาริมาอารามาคาร์ในแม่จบแล้วเซขับุคคลเจ็ดประเภทกาลยานปุถุชนอันนี้หมายถึงใครโสดาปฏิมค โซดาปฏิผลสกาธาคามีมรักสกาธาคามีผลอนาคามีมรักอนาคามีผลเนี่ยนะแล้วก็อรหัตมรักใช่ไหมอันนี้ถือว่า7นะนิเศคาบคุค้นเและกยายาบุรุดชนอีกหนึ่งชื่อว่ากําลังประพฤติมรรคพระมจรรย์อยู่ต้องเป็นกยนายาระพุดชนด้วยนะถึงจะจัดว่าเป็นกําลังประพฤติประพฤติมรรคพระมจรรย์อยู่ ใครที่เดินสติปฐานเป็นอัธยาศัยบุคคลนั้นแปลว่ากําลังประพฤติมรรมจาจันทร์อยู่เอาละตอนนี้วัดกันแล้ววัดกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมตอนเนี้ยตอนนี้ประพฤติพรรมจันทร์อยู่ไหมเนี่ยกำลังประพฤติมรรมจาจันทร์อยู่พระขีนาศบซึ่งได้อาราถผลเป็นผู้อยู่จบมรรมจาจันทรย์นั้นแล้วเมื่อเริยาสาวกพิจารณาการอยู่พรรมจันทร์ของตนจึงทราบ ว, ว่าตนอยู่จบ มรรคกรมอาจารย์แล้วอยู่จบรมอาจารย์แล้วอันนั้นหมายถึงพระละหันท่านเลยท่านเลยอรหัตมรรคมาแล้วเพราะอารหัตมรรคยังชื่อว่ากําลังประพฤติมรมรรคกรมอาจารย์ฉะนั้นพวกเราก็ต้องถือว่ากําลังประพฤติประพฤติมรรคกรมอาจารย์เบื้องต้นเพราะสติปัฏฐานเป็นปุปภาคของมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นฉนั้นกัลยาณนบะุรุษชนจึงได้ในฐานะนี้เศขาบุคคลเจ็ก็ได้ แต่ถ้าเวลาใดสติปัฏฐานไม่เข้าสู่กระแสใจนะตอนนั้นก็ไม่ได้ประพฤติมรรคพระพรหมจันทร์นี่พอจะจับประเด็นได้นะหมอนะหลุดบ่อยไหมมรรคพระพงหมจันทรย์เนี่ยบ่อยไม่บ่อยบ่อยใช่ไหมโอ้โหที่ชื่อว่านี่เขาเรียกเนี่ยถ้าหากว่ากําลังเดินสติปัฏฐานอยู่เขาเรียกประพฤติพระหมจันทร์เขาะใหยังไงประพฤติมรรคพระพรหมจันทร์ด้วยเป็นมรรคเบื้องต้นด้วยก็น่าชื่นใจ ยังอยู่ในเกาะกลุ่มเสข่าวบุคคลเจ็กับเขาได้นิดนึงใช่ไหใช่ไห ม, ไหมพอหน้าเชื่นใจไหมแสดงว่ามีพวกใช่ไหมเนี่ยก็เรียกคนมีพวกฉะนั้นพระเสขาบุคคลเนี่ยเจ็ดจำพวกเนี่ยยังเหลืออีกเยอะอยังเหลืออีกเยอะที่เขากําลังเร่งรีบตั้งความเพียรกันเราอยากจะอยู่กลุ่มท่านไหมถ้าอยากจะกูอยู่กลุ่มท่านก็มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งยังมีสิงส่งอื่นเป็นที่พึ่ง ให้มีสติปัฏฐานสี่เป็นเกาะสติปัฏฐานสี่เป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเนี่ยนะเนี่ยเรียกว่ามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นอย่างนี้พอจะมองเห็นไหมมีพวกอย่างแเนี้ยกตังกรณียังพระตํามราชว่ากตังกรณียัง <c oughs> กิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วหมายถึงกิจสิบหกกิจสิบหกใช่ไหมกิจสิบหกก็คือการกําหนดรู้ปริญญากิจ <c oughs> ในสวสดาปฏิมาข์น่ะการขาจัดกิเลสปหาน ก, กิจใช่าหมการกระทําทให้แจ้งสัจจิกรียนสัจจิกริยากิจการอบรมภาวนากิจด้วยมรรคทั้งสในอริยสัจส ร, รวมเป็นสิบหมเนยส่สี่สิหนี่เป็นเป็นเป็นใบโดยการอย่างนี้สี่สี่สพอจะนับได้ไหมสวสดาปฏิมาข์นี่ กำหนดรอบรู้ทุกไหมละสมุไทยไหมกําหนดรู้ทุกก็เป็นปริญญากิจไปละสมุไทยก็เป็นประหานากิจไปกิจในการประหารกระทานิพพานให้แจ้งหรือ ก, กระทํานิพพานให้เป็นอารมณ์ก็เป็นสัจจิจิยากิจไปตอนนั้นมรรคแปดประชุมอยู่อบรมอยู่ในโล ก, กุตรา ม, มารรค ก, ก็เป็นภา ว, ภาวนากิจไปเป็นมรรคสัจจะไปได้สี่และสกาทาคาก็สี่แบบเนี้ อนาคาก็สี่อรหธรมะก็สี่ก็กลายเป็นกิจสิหเนี่ยพระธรรมราติวกะกตังกรณียังกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วท่า น, นทํากิจสี่อย่างกิจสิบ16อย่างนี่เสร็จแล้วอันพระขีนาสอบได้ทําสําเร็จแล้วเพราะเพราะกาลยาณบุรยชนเป็นต้นชื่อว่ากําลังกระทํากิจนะั้นฉะนั้นกาลยาณบุรยชนโสดาปฏิมกักโซดาปฏิผลสกาธาคามีมกักสกาธาคามีผล ธนาคามีมรคอนาคารมีผลอรหัตมรคชื่อว่ากําลังกระทํากิจสิบอยู่กําลังทํากิจสิอยู่อ่ะตอนนี้ก็ลองดูทีมรคเบื้องต้นของเราท่านทั้งหลายกําลังกําหนดรอบรู้ทุกขศาสตร์อยู่ไหมตอนนี้สติสัมปชัญญะกําหนดรู้เวทนาไหมละ่ะถ้ารอบรู้เวทนาใช่ไหมสติสัมปชัญญะนั้นกําลังกำหนดทุกขศาสตร์จ่าอยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นเบื้องต้น และในขณะเดียวกันก็ละกิเลสได้กะทั่งกับะหารใช่ไหมราคาโทรศัไม่ให้หมุนก็สู่กระแสใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นปะหารกิจในกะทั่งกับะหารอยู่แล้วก็ใจก็น้อมเพื่อต้องการจะไปนิพพานและจะดับเวทนาในที่ทุกแห่งเบื้อต้นเหล่านี้แล้วอันนี้ก็น้อมในการมีนิพพานเป็นอัจฉาิยะไปอันนี้เป็นนิโรธสจัจจะเป็นอัชฉรยะและตอนนี้กําลังจะประกอบมรร ประกอบสัมมาทิฏฐิประกอบสัมมาสติประกอบสัมมาวายามาเป็นต้นหรือประกอบสัมมาสังกปะแล้วก็ต้องการประกอบมรรคอื่นๆมีสัมมาสา ม, มาธิเป็นต้นเหล่านี้นะคือต้องการจะประชมไม่ได้เป้าหมายคือต้องการไปประชุมมรรคแดในโลกุตละกําลังกระทํากิจนั้นส่วนพระขี่นาสอบเน้นกระทากิจจบแล้วเนาะเป็นอริยะสาวกเนี่ยพิจารณากิจที่ควรทํำของตนจึงทราบ จึงทราบว่าได้กระทํากิจเหล่านั้นกิจที่ควรกระทําได้กระทําแล้วส่วนพระดำมรัตว่านาปรังอิฐถัตายะนาปรังอิฐทธตายะก็แปลว่ากิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็หมายความว่าท่านทราบบอกว่าเราไม่มีกิจในการอบรมมรรคในการนี้เพื่อความเป็นเช่นนี้อีกท่านไม่ต้องอบรมมรรคอีกแล้วท่านต้องอบรมมรรคแปดอีกครั้งไหม พอจะทำโสดามากสกัดทาคามากนาคารกอารธรรมิอีกครั้งไหมต้องท่านต้องทำไหมไม่ต้องทําแล้วคือเพื่อความก่อให้เกิดกิตสิประเภทนี้หรือเพื่อความดับกิเลสอีกไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าตํารับว่าอิถทธตายะก็แปลว่าท่านทราบว่าเราไม่มีลำดับขันอื่นจากความเป็นเช่นนี้ก็คือว่าลำดับ ขันที่กําลังเป็นไปว่าขันห้าเหล่านี้ของเรากําหนดรู้แล้วเราดําลงอยู่ดุดลายดุดต้นไม้ที่ถูกขุดรากแล้วก็คือว่าต้นไม้แต่ดูที่ยังไม่ตายอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสภาพของต้นไม้เนี่ยรากขาดแล้วแต่ยังไม่ตายเพราะรอเวลารอโอกาสที่ในพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นเน่ยเหมือนต้นไม้รากขาดแล้วใช่ไหมรอเวลาล้มใช่ไหมถึงบอกว่า ท่านถึงใช้คําบอกว่าลำดับขันที่กําลังเป็นไปขันห้าท่านรอบรู้หมดแล้วรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสติปฐานสี่ท่านทําให้บริบูรณ์แล้วคือเอาสติปฐานไปประชุมในโลกุตลามารคได้4ครั้งแล้วนี่กิจของท่านเป็นอย่างนั้นไปประชุมสติปฐานสี่ในโลกุตราสติปฐานในมารคในสี่แต่ครั้งย่าดํำรงอยู่ดุดต้นไม้ที่ถูกขุดรากแล้วขันเหล่านั้นจะดับศูนย์ไปเพราะจุดติจิต ด, ดับ เปลีจะเสมือนปอยเปลวไฟที่ขาดเชื้อเปลวไฟที่ขาดอะไรขาดไส้ขาดน้ํามันขาดไส้ขาดน้ํามันแล้วไม่มีตะเกียงแล้วกระดับฉันท่านรอเวลาอยู่ท่านนะเนี่ยพระฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะโ้โหอัตมานาหลายสูตรจะบอกคําเดียวก็แล้วอัตมานาเตพิคโขภควาโตภาสิตังอภินันทุงใช่ไหมมีใจยินดีเพื่อเพลินภาษิตของพระบรมศาสดา ทำไมท่านมีใจยินดีท่านก็ปราบปลื้มปีติยินดีหรือมีจิตที่สําเร็จได้ปีติสมณัตตามพระตามดํำรัสของพ่อปรมาสดานะียเพราะอะไรเพราะพระดํารัสของพ่อปรมาสดาประดุดดังพระสุ ร, ร, สรเสียงของพ่อปรมาสดาประดุดดังเสียงอย่างพรมไพ่เลาะจับใจฮะประดุดดังเสียงนกกาลาเวกวนะ่าฮะและน่าสดับตรบาบฟังดังเช่นอะไรราดรถด้วยน้ําอมฤต อมตะน่ยนะในดวงจิตของบัณฑิตชนเนี่ยช่มชื่นยินดีแล้วก็ยอมรับด้วยเสียงกล้าบอกว่า เ, เอวเมตังภควาเอวเมตังสุขตาเป็นต้น่ข้าแต่พระบรมศาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระสุคตเจ้า พ, พุทธเจ้าข้าเป็นต้นเนี่ยก็แปลว่ายอมรับนำมาใส่กล้าวใส่กระหม่อมเลยว่างั้นเถอะคือว่าโอ้โหเกิดความไพเรอดและไม่พอซาบซึ้งและตนเองก็ เข้าถึงใช่ไได้บรรลุธรรมด้วยเป็นต้นนี้ก็เกิดปราโมอดปีติปัสสติความสุขและเป็นไปในลักษณะอย่าง น, นี้เรื่องของเวทนาตรงเนี้ยนะแค่นั้นในเรื่องของเวทนาที่ท่านกล่าวไว้ในเนี้ยที่บอกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์หยุดจบแล้วกิจที่ควรทาทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้เป็นต้นเราเนี้ยนะได้ขยายไปแล้วอถาธิบายบอกว่าเวทนาเนี่ยนะสวยสุขเวทนามียมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามียมิตร สวยสุขเวทนาไม่มีมิจก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่มีมิจนะดูในบทต่อไปสวยทุกขเวทนามีมีมิจก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนามีมีมิจสวยทุกเวทนาไม่มีมิจก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาไม่มีมิจสวยอทุกขมสุขเวทนามีม่มิจก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีม่มิจสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีมิจก็รู้ชัดว่าเราสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีมิจ อธิบายแล้วเวทนาที่มีอามิตรและที่ไม่มีอามิตรที่ท่านขยายได้ขยายไปในครั้งหนึ่งและตอนเช้าเนี่ยนะเออในตรงเนี้ก็คือสามิสังวาสุขขังเนี่ยความว่าสุขเวทนามีอมิตรเป็นต้นเนี่ยท่านกวีฉายเลยว่าสมนัตอาศัยอามิตรคือกามาคุณห้าอาศัยเรือนเนี่ยตันหาอุปาทานเนี่ยนะชื่อว่าอามิตรศาสุขเวทนาดังกล่าวก็คือว่า อมิตรอมิตรเนี่ยนะสามิตรสสุขเวทนาในที่นี้หมายถึงสมณสเวทนาประเภทเคหสิตะหประการนะที่อาศัยอมิตรกล่าวคือกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมตัวที่อาศัยตัวอมิตรเนี่ยจริงๆเหยื่อตรงนั้นไปนชื่ อ, องกามคุนด้วยเป็นชื่อของราคะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้ด้วยจะไม่กิเลสเนี่ยตัวกิเลสการมนะย้อนส่วนเป็นอมิตร เพราะได้แยกกันแล้วคำว่าอามะไงสับนั้นแหละสับคำว่าอามิสนั่นแหละเพราะอะไรท่านใช้คำว่าในกรณีที่ในคําสอนต่างๆที่พูดถึงในในความหมายเนี่ยสภาพที่กิเลสทั้งหลายเนี่ยนะกรณีแห่งกิเลสทั้งหลายเนี่ยที่เป็นไปกับที่เป็นไปกับราคะโทสะโมหะทั้งหลายเลยเนี่ยนะสภาพของกิเลสที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันเป็นกลิ่นต่งางๆแล้วเป็นกลิ่นเป็นคราวต่างๆเนี่ยนะ สมนัตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเกี่ยวข้องกับบุคคลพว้อาัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันที่เขาเรียกว่าที่อักัดปักคาตัญหาเป็นต้นเหล่านี้ตัญหาที่เป็นไปในภายในพวกพ้องเดียวกันครอบครัวเดียวกันเป็นต้นอาศัยเรือนในตำนองอย่างนั้นด้วยบิดามารดาบุตรทีดาสามีภรรยาเป็นต้นญาติมิตรด้วยนะเป็นสมนัตคือความดีใจในการที่เห็นบุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่อแม่พี่น้องเป็นต้นะประสบความสําเร็จดีใจ อ่าเราเป็นบ่อยไหมทรงนี้เป็นไม่เป็น <S <S ก็โสมนัสเกิดขึ้นอิงอาศัยกรรมอาคุณเนี่ยใช่ไหมพอไปเห็นเขาก็ดีใจอย่าว่าแต่ขนาดสมาชิกที่เป็นสุ น, นัขเป็นแมวยังดีใจเลยยังเกิดโสมนัสเวทนาเลยใช่ไหมเพราไปถือว่าอยู่ในครอบครัวใช่เรียกโลกทุกคำอ